สามหลักทศพิตราชธรรมอีกเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราด้วยนั่นคือทศพิตราชธรรมก็มี10บประการซึ่งหลายข้อก็ไปซ้ำกับ10บข้อที่เราได้ประมวลเอาไว้ในลักษณะที่ทรงมีพระราชกรณียกิจให้เราได้เห็นเพื่อให้เราได้ทำตาม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 สัจธรรมจริงๆคือความสุขพอหวังสูะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท่อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแนบอุ่นไอดิ้มสู่ความเคยชิน เเคยลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดิ น, ดนดท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้ น, นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดอยู่อย่างพอเพียงใกลตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดี ไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ